วิธีสมาทานมานัตภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสมาทานมานัตอย่างนี้ภิกษุผู้ประพฤติมานัตพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวว่าข้าพเจ้าสมาทานมานัตมานัดย่อมเป็นอันสมาทาน หรือกล่าวว่าข้าพเจ้าสมาทานวัดมานัตย่อมเป็นอันสมาทานมานัตตะจาริกะวัตตะจบ